สังคตังจริงๆเลยเนะาะเมื่อเรียนสังคตะธรรมมากๆแล้วเห็นอะไรขึ้นเพราะว่าธรรมะที่เราเรียนผ่านมาทั้งทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์เนี่ยเป็นสังขารธรรมเป็นสังคตะธรร ม, ธธรรมถ้าหาว่าผู้ที่เอาสังคตะธรรมมาทำปริญญามมากหรือว่าทำปริญญาาบ่อย มาพิจารณาเยอะๆนเนี่ยนะจะเห็นว่าไอ้สังขารธรรมทุกชนิดนี้เป็นที่ตั้งแห่งอะไรบ้างเห็นเห็นใหญ่ๆโตๆเลยก็คือทุกอะไรเป็นที่ตั้งแห่งทุกจริงๆสังขารทั้งหลายในบางส่วนก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกขทุกทุกทางกายๆๆทุกทางใจเนี่ยนะในกระทั่งสิ่งที่ดีๆทั้งหลายก็ยังเป็นที่ที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ใจ เช่นว่าต้องพลาดจากของดีๆเนี่ยนะก็เสียใจใช่ไหมปรารถนาของดีแล้วก็ไม่สมหวังสักทีหนึ่งก็เสียใจมันปิยรูปสาธารูปเนี่ยนะก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ไม่ใช่น้อยแม้กระทั่งมีปิยรูปสาตารูปก็บอกว่าทุกในการรักษานนเพราะว่าการดูแลการรักษาปิยรูปสาตารูปนั้นไม่ใช่ของเบาๆเลย การสแสวงหาปิยรูปสาตรูปก็เป็นของที่หนักมากการรักษาปิยรูปสาตรูปก็เป็นของหนักเป็นมหาภาระเลยนี่ก็ช่วงหลังๆมามนนาเสการถึงไอ้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องตาตาเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องตาเนี่ยมีตาก็เป็นของยากบริหารให้มันเป็นไปได้ก็นี่ใช่ง่ายเนี่ยนะชีวิตของเราเนี่ก็สละไปกับเรื่องเอาเรื่องพวกนี้มาคิดนี่ก็มิใช่น้อย อันปียรูปสารูปนี้จึงเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทุกขคือทุกกายแล้วก็ทุกใจถึงเป็นความสุขก็เป็นวิปริณามาทุกขอยู่ดีเพราะว่าเขามีความสุขชั่วระยะที่มีอยู่เท่านั้นถ้าความสุขเหล่านี้หมดไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนอันไม่มีความสุขใดยั่งยืนนะเมื่อความสุขไม่ยั่งยืนถ้าความสุขเหล่านั้นหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามา เหมือนกินอาหารอิ่มไอความอิ่มนี้สบายใช่ไหมถามว่าถ้าความอิ่มเหล่านั้นหมดไปละ่ะเดือดร้อนไหมฉะั้นความสุขทั้งหลายก็เป็นของที่แปรปรวนอยู่เสมอคือความสุขเนี่ยมันเกิดจากภาษาภาษานี่มันการประชมพร้อมของธรรมสามประการทั้งวัตถุอารมณ์และวิญญาณถ้าวัตถุบกพร่องความสุขก็หมดไปถ้าอารมณ์บกพร่องความสุขก็หมดไปถ้าภาษะ บกพร่องความสุขก็หมดไปผันท่าอันใดอันหนึ่งเสียหายบกพร่องแตกทำลายไปความสุขเหล่านั้นหมดไปความทุกข์ก็ตามมาแล้วก็แม้กระทั่งตัวที่เป็นสังขารทั้งหลายก็เป็นสังขารทุกข์นะเพราะไม่มีความมั่นคงอะไรเลยสภาพของสังขารทั้งหลายประดุจไม้อ้อจริงจริงมันเหมือนไม้อ้อนะคือมันไม่ได้มีแก่นสาร มันถ้าเอาทุกคือสังขารธรรมทั้งหลายมาทำปริญญาบ่อยๆมากๆจะเห็นว่าผู้ที่ติดข้องในอุปาทานขันห้าเนี่ยนะมันเป็นธาตุของขันห้าจริงๆคือเราเคยเอาเอาคิดโคดชีวิตของคนที่เป็นธาตุมามาคิดดูไหมว่าชีวิตของธาตุเนี่ยเป็นยังไงถ้ามีธาตุถ้ามีเจ้านายใจดี้อ ย, อยังช่วยนะใช่ั้ย ทาตก็ยังเบาบ้างแต่ขนาดนั้นภาระคือความเป็นทาตก็ mm hmm. ก็เหน็ดเหนื่อยถึงนายดีนะถึงเจ้านายอย่างดีเลยภาระของทาตก็ยังเหน็ดเหนื่อยอยู่ดีเพราะว่าจะต้องตื่นก่อนนอนทีหลังคอยเอาอกเอาใจคอยรับใช้คอยดูแลอนนะก็ดูได้จากเจ้าเบาทั้งหลายก็เห็นชัดนะ น, นั่นก็กลมกลมเดียวกันนะ <c oughs> นะความเป็นทาตเนี่ยนะเป็นเป็นความเหน็ดเหนื่อยชั้นใด ผู้ที่เป็นทาสของอุปาทานขันห้าก็ฉะนั้นเหน็ดเหนื่อยมากในการดูแลขันห้าเราเคยคิดด้ว่าภาระในการบริหารขันห้าเนี่ยจะมีอีกนานสักเท่าไหร่นาอหรือว่าบริหารขันห้าไม่มีความรู้สึกว่าเป็นภาระเลยคุณอารีนี่มีความรู้สึกว่าบริหารขันห้าเป็นภาระบ้างไหมเนี่ยอ๋อเป็นเหมือนกันนะนึกว่าไม่ไม่เท่าไหร่ นึกว่าพอทำใจได้อะนะมันไม่ค่อยพยศนักอ่ะนะอพอดูแลได้อยู่ว่างั้นอันนั้นก็ถ้าใครที่ดูแลขันห้ารู้สึกว่าไม่ไม่ได้เป็นภาระสักเท่าไหร่ถ้าคนนี้ก็นับว่าเป็นผู้มีบุญมากในบรรดา ม, มู่ชนทั้งหลายอ น, น, นคือคือมองว่าขันห้าไม่ไม่ใช่ตัวภาระเนี่ยนะที่จะต้องบำรุงเลี้ยงดูอะไรอะไรก็เป็นไปตามที่ที่ต้องการหมดเลยอันนั้นก็เรียกว่าผู้มีบุญะในโลกนี้ แต่ถ้าไม่อย่างนั้นล่ะคิดซ้ายกว่าหายคิดขวากว่าไม่เจอคิดหน้ากว่าลืมอ่ะนะมันภาะวะพวองไปหมดเลยเป็นที่ตั้งแห่งความวิตกกังวลไปหมดเลยถ้าอย่างนี้แหละเป็นบุคคลที่เรียกว่ามีความรู้สึกว่าขันห้ามันเป็นภาระจริงๆผู้ที่เจริญวิปัสสนาระดับสูงเนี่ยนะแม้กระทั่งเห็นเนี่ยยังถือว่าเป็นภาระเลยการเห็นเนี่ยเป็นภาระมากเลยนะ ทำไมการเห็นจึงเป็นภาระก็เคยคิดไหมว่าการเห็นเนี่ยเป็นภาระมากก็จะเห็นอะไรไม่เข้าที่เข้าทางด้วยนะชัดเดินนะโอ้โหมหาภาระเลยจากการเห็นพวกการบอกไม่เห็นถ้าก็ดีองั้นไม่ค่อยมีภาระใช่ไหมจางเกสุดาถ้าไม่เข้าครัวไม่เห็นถ้าก็ดีใช่ไหมถ้าไม่เห็นก็สบายใจหน่อยมานั่งที่วัดนี่แหละพอสบายใจหน่อย นั่งที่บ้านเหลียวซ้ายแหลขวามันมหาภาระหมดอันนั้นก็น่าจัดอันนี้ก็น่าแต่งอันนั้นก็น่าเช็ดอันนี้ก็น่าถูนั่นก็น่าขัดอันนั่นก็ยังไม่ได้ทำโอ้ยสารพัด ส, สารพันไปนหมดโอหมหาภาระจริงๆเลยเนะยแต่บ้านนี่เราสร้างขึ้นเองนะะทุกเรื่องเลยนะขันห่านะเราทั้งหลายเป็นผู้สร้างขันห่าขึ้นใช่ไหมเนี่ยลืมตาเพื่อจะสร้างอะไรลืมตาดูเพื่อสร้างอะไรนะเพื่อสร้างตาได้ยินเสียงก็เพื่อ สร้างหูรู้กลิ่นเพื่อสร้างจมกูกรู้ลิ้นรู้รสก็เพื่อสร้างลิ้นรู้โพธภาพเพื่อสร้างกายคิดทั้งหมดเนี่ยเพื่อสร้างใจคิดอะไรก็ตามเหอคิดดีคิดใหม่ดีคิดบุญคิดบาปคิดยังไงก็คือการสร้างวะตะัตถะสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะนั้นความเป็นตาของการก่อสร้างเหล่านี้เนี่ยไม่ได้หยุดหย่อนเลยเมื่อไรเนอจะเลิกสร้างสักทีหนึ่งเลิก มีสิ่งที่ไม่ใช่สังขารเป็นอารมณ์เนี่ยน่าจะเป็นความสุขอย่างยิ่งเลยนะผู้การนี่นึกกระยิ่มบ้างไหมว่าเมื่อไร่จะมีสิ่งที่ไม่ใช่สังขารเป็นอารมณ์มั่งเคยมนสิการบ้างหรือเปล่าเคยคิดหลีกไปหาสิ่งที่วิเป็นวิสังขารยังไงนะเล่าให้ฟังว่าคิดยังไงบ้างจึงคิดหลีกเนี่ยนะคือ <c oughs> เห็นเห็นทุกอย่าง ว, ว่ามันทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันต้องอาศัยปัจจัยปรุงแต่งเยอะๆเนี่ยครับและแต่ละปัจจัยมันก็ไม่ใช่หามาง่ายๆนะครับหรือว่าปัจจัยบางอย่างมันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเราก็ไม่อยากได้ปัจจัยนั้นเนี่ยมันปัจจัยนั้นมันก็มานี่ครับ เราอยากได้มันก็ไม่มาครับเปนปัจจัยอันนั้นนี่คนะรับเพราะฉะนั้นผลที่เราได้รับนี่มันก็เป็นไปตามปัจจัยบางทีเบื่อครับเบื่อเบื่อสังขารธรรมนี่ครับเบื่อสังขารธรรมโอ้มันเบื่อมันปรุงแต่งอะ่ะมันปรุงให้เราอยู่เรื่อยครับมันปรุงเรื่องก็เคยคิดน้อมๆไบว่าเออไม่ปรุงมันต้องดีกว่านี้นะเวลามันปรุงมันเดือดร้อนมักจะคิดได้นะไอตอนสบายสบายนก็ไม่ค่อยคิด คิเลยเอถ้ามันไม่ปรุงมันต้องม่ใช่อย่างนี้มันนึกในใจง่ายๆอย่างเงี้ยนะฮะเออถ้ามันไม่ปรุงมันไม่เดือดร้อนอย่างเงี้ยนะเพราะมันปรุงอะมันถึงเดือดร้อนอะบางีก็นึกไปเออถ้านิพานไม่ปรุงใช่ไหมนี่นี่ผ่านก็ต้องดีกว่านี้สิครับนึกง่ายๆอย่างเงี้ยครับไม่ากาเป็นอย่างไงก็ง่ายๆอย่างเงี้แต่ว่าให้นึกบ่อยๆก็แล้วกันคือมันน่าคิดนะอย่างเขามาเนี้ยมีมาคิดเรื่องหนึ่งนะเรื่อง ไอ้ที่มันเห็นเป็นภาระมากกับเรื่องฉันนี่แหละพวกกาเนี่เห็นเป็นภาระยังไงเรื่องพระประธานอาหารเนี่ยก็มกื่อัลงวันนี้เองนะครับมอ้กำลังจะดูด้วยนะกําลังดีนะอ้าวตาบายน้งกว่าเนะี่ยท้องยั่งหิวมันดีมันเกินมีบริวารมาพอดีเลยก็เลยใชใ้ออกไปซื้ออไม่งั้นเรขับออกมานะแล้วยังซื้อกลับมา อ, อีกนี่นึกถึง การบริภโภคเนี่ยนะการหาเรื่องอาหารเนี่ยมันเป็นมหาภาระมากๆเลยพอมาเนี่ยนึกถึงสมัยก่อนเนี่ยยิ่งฉันมือเดียวด้วยนะเราแค่ล้างบาดใบเดียวเนี่ยแต่อะไรนะมันด็ไปปรุงไปอุ้ยาทาไมเรามาทํำไมมันภาระขนาดนี้นะล้างบาดใบเดียวกับฟ้าเนี่ยนะแค่นีนน้แล้วก็มาเช็ดเช็ดเก็บแล้วอู้หูทำไมมันเป็นภาระขนาดนี้นี่เรามานึกถึงแม่ครัวทั้งหลายเนี่ยนะ กว่าจะไปคัดสรรเอาวัตถุดิบมารวมกันแล้วก็ปรุงเนี่ยนะใช้เวลาอยู่ในนั้นไม่ใช่น้อยปรุงเสร็จเพื่อที่จะตักให้ใส่จานเต็มโต๊ะไปหมดเลยแล้วก็ทั้งหมดนั้นต้องมาล้างอีกแล้วก็เชด็ดแล้วก็ไปเก็บอีกมื้อเช้าผ่านไปมื้อเที่ยงก็ทําอย่างนี้อีกมื้อเย็นก็ทําอย่างนี้อีกแล้วก็ไม่มีวันหยุดราชการด้วยทําอยู่ได้ทุกวันเนี่ยนะ ทำมาเป็นสิบสิบปีไ ล, ล่สิบปีทำอยู่ชั่วชีวิตเขาทําใจกันได้ยังไงเนาะทําไมเขาไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่เบื่ อ, ไ ม, อไม่หน่ายกันบ้างหรือหรือว่ามันไม่มีทางออกว่างั้นเถอะมันจะต้องจําทนทนจําก็เลยหนักๆเข้าทนจนมีความสุขนะนะมีมีความสุขกับการมีภาระเนี่ยนะนะไม่มีภาระอันนี้เดี๋ยวก็ทุกข์อีกว่างั้นะนะ่นะก็ อ, อาจจะแบบโยมคนหนึ่งเขาบอกว่ามีความสุขกับความเจ็บปวดก็ว่างั้น ก็เป็นโรคมะเร็งแล้วก็ทางหน้าอกอนะมันก็ปวดมากเขาก็นอนอยู่กับความเจ็บปวดเป็นอาจารย์ด้วยนะเป็นอาจารย์ทางโลกอนะก็มีความสุขกับความเจ็บปวดมาเงั้นแม่เขาก็เป็นห่วงว่าเอ๊ลูกจะเป็นยังไงเนี่ยมาเงี้นเขาบอกว่าลูกเขามีความสุขกับความเจ็บปวดอันนี้มาเงัน้นนะมันวิปลาสไปแล้วมาเงี้ยมองเห็นทุกข์คือทุกเป็นความสุขไปแล้ว หรือว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยรับภาระขันห้าจนมีความสุขในการรับใช้ขันห้าและก็เก่งนะทำใจได้ขนาดนั้นแต่แต่ว่าความเป็นธาตจริงๆถ้าหากว่าเราเอาเสรีชนมาคิดนะนะถ้าถ้าเราลองเปรียบดูระหว่างสองคนเนี่ยคนที่มีภาระกับคนที่ไม่มีภาระเนี่ยนะมันต่างกันอย่างไรหรือว่าบางคนบอกเออไม่มีภาระมันดียังไงนะไม่มีสังขารให้รับใช้ดูแลเนี่ยนะ มันดียังไงกับกับผู้ที่ไม่ต้องดูแลสังขารทั้งหลายเลยเนี่ยดียังไงอย่างของเราเนี่ยนะวันวั น, ว น, วนหนึ่งเราครุ่นคิดแต่สังขารถ้าเทียบกับพระริยเจ้าทั้งหลายท่านหลีกเลนเข้าพระสมบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์ทั้งวันหมายความมีวิสังขารเป็นอารมณ์ทั้งวันถ้าเทียบกับเราทั้งหลายที่คิดถึงสังขารทั้งวันร่าร้อนเพราะสังขารทั้งวันเนี่ยนะ สองส่วนนี่เราเรารู้สึกเบื่อหน่ายในการคิดสังขารเมื่อไหร่นะเราจะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์มีอาสังคตะเป็นอารมณ์เนี่ยนะซึ่งมันเป็นความสุขอย่างยิ่งโดยที่ไม่ต้องมีปัจจัยปรุงแต่งหรือว่าเอนิพพานมันไม่มีอะไรมันจะสนุกยังไงอย่างนี้อีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ถามว่าที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะผู้ที่ไม่มีจิตคิดหลีกออกน้อมไปหาอาสังคตะธาตุ คือเขาไม่เคยมองว่าอสังขตะธาตุทั้งหลายเนี่ยมันคือมหาภาระหนึ่งนะมันเป็นตัวภาระจริงๆชาติชรามรณะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นภาระมากถึงจะดูแลสังขารดีเยี่ยมขนาดไหนชราและมรณะก็จําต้องก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีใช่ไหมเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยจะดูแลรับใช้ปรนิบัติ สังขารดีปานใดก็ตามในที่สุดสังขารก็คือสังขารวันยังคำสังขารที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วที่ไม่แตกไม่ทำลายไม่มีแต่ว่าก่อนที่มันจะแตกทำลายนี่สิคนเราทุกคนมันตายแน่ใช่แล้วก่อนตายเป็นยังไงอยู่ในสภาพไหนก่อนจะตายเนี่ยนะตายแบบอาการแบบไหนกันแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะเข้าออกโรงพยาบาลกี่รอบเนีนะ เพื่อที่จะบำบัดก่อนจะตายเนี่ยนะแล้วก็ตายแล้วก็ไม่รู้คติที่ที่จะไปข้างหน้าต่อไปนี่เป็นเช่นไรโลกของสังขารเข้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นอยู่มีชีวิตอยู่ด้วยความหวังหวังในสังขารธรรมเนะี่อยู่ด้วยความหวังในสังขารธรรมเพลิดเพลินในสังขารธรรมเมื่อประจบกับสังขารธรรมที่เป็นทุกข์ก็หวังว่าจะพบความสุขเลยนะ วันนี้คงเอ่อพรุ่งนี้คงจะสบายกว่าวันนี้นะแอบหวังไม่ลึกๆึกไหมอาจารยกรสอนแอบหวังม้างไหมลึกลึกเออพรุ่งนี้น่าจะสบายกว่าวันนี้นะมีแนวโน้มที่จะเข้าใจแบบนั้นว่าวันต่อไปจะดีกว่าวันนี้พู้การนึกไหมครั้งวันต่ อ, ต อ, ตอไปนะจะต้องดีกว่าช่วงนี้เป็นแน่หรือว่าโอ้โหมีแต่เลวร้ายลงทุกวันยังไงนายเลือกเอาไงใช่ไหมครับท่านท่านม่ศึกษาธรรมาน ะ, ะทุกคนนะฮะ หวังว่ามันจะดีทั้งนั้นครับแปลจริงๆครับคิดว่าอะไรที่เออมันเราคงจะไม่เจอนะไอ้ปัญหาทั้งหลายไม่เคยครับไม่เคยเลยครับไม่เคยคิดนะจะต้องเจอปัญหาจนต้องเจอโรคเจอปัญหาชีวิตเจอปัญหาการทํามาหากินเจอปัญหาครอบครัวไม่เคยคิดเลยครับคิดว่าข้างหน้าสมมุติหน้าแจ๋วหมดเลยแปลจริงๆครับจากดีกว่านี้จริงๆโดยที่สุดแม้กระทั่งอะไรนะคนไข้ที่นอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ย เขาอยากกลับบ้านหรือว่าเขาอยากอยู่เฝ้าโรงพยาบาลคุณทุจิน <g ül> โดยมากเขาเขาอยากกลับบ้านหรือว่าเขาอยากอยู่ที่นั่นตลอดไป <c oughs> <c oughs> นะคำถามนี้เป็นปกติเลยนะเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านเนี่ยนะก็ถามอยู่แล้วถามเล่านะรอหมอมาตรวจสักทีจะได้ถามหมอว่าจะกลับบ้านได้วันไหนพ่อญาติมาเยี่ยมก็มาถามว่าจะกลับได้วันไหนนั้นก็ททำมีกระถาของคนป่วย ก็คือว่าจะกลับบ้านวันไหนก็คิดว่ากลับบ้านแล้วจะสบายไอ ต, ตอนป่วยอยู่บ้านก็คิดว่าเออนี่ถ้าไปหาหมอจะสบายเมื่อหาหมอเสร็จแล้วบอกถ้ากลับบ้านจะสบายแล้วก็หวังอีกต่อไปนะถ้าหายนี่สบายแน่แล้วนะแล้วจริงๆมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างที่เห็นเห็นนี่แหละมีอะไรที่ดูแนวโน้มว่าจะสบายขึ้นบ้างไหม สังขารทั้งหลายก็เป็นอย่างเงี้ยที่จกดีขึ้นนะ่ะสมมติว่าบ้านนะั้นมันใหม่เฉพาะวันสร้างเสร็จหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆเก่าไปเรื่อยเก่าไปเรื่อยเก่าไปเรื่อยไม่เคยมีใครฉลองบ้านเก่านี่ไม่มีเลยนะไม่มีฉลองวันใ่ฉลองแต่ของใหม่ใช่ไหมแม้กระทั่งงานวันเกิดทั้งหลายก็ฉลองอ้ดีใจเหลือเกินที่ได้เกิดเนี่ยนะอันที่จริงเขาลืมไปจริงๆฉลองวันแก่นะัเนี่ย ถ้าไอตอนเกิดไม่ได้ฉลองอะไรตอนนี้กำลังฉลองความชราอยู่ว่าอีกไม่นานจะไหลไปสู่ความเกิดอีกแล้วเนี่ยนะทำบุญวันแก่ยิ่งแก่มากยิ่งทำบุญมากเลยนะฉลองวันแก่เพราะว่ามันขณะนั้นไม่ได้เกิดอะไรนนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ค่อยปรารบน้อมไปสังเวชเลยใช่ไหมไปแฮปปี้กันน่าดูเลยนะนึกยี่ง ม, มันดีใจที่ได้เกิด อที่ได้มีอายุยืนยาวเออหลายคนนี่เขาคงมีความสุขมากนะที่เขามีชีวิตยืนยาวมีอายุยืนยืนเนี่ยนะทุกอย่างก็เพียเพร้อมไปด้วยเบญจา ก, กามคุณเนี่ยนะเยี่ยมเลยนะมีความสุขมากบางคนเขาเป็นอย่างนั้นนะถ้าใครที่ไม่ไม่เจริญตีรณะปริญยามากๆเนี่ยนะจักมีความหวังอย่างนั้นจริงๆ หวังว่าจากดีขึ้นสบายขึ้นมีความสุขมากขึ้นหวังสังขตะหนึ่งโซสังขตะหนึ่งหวังสังขตะหนึ่งโซสังขตะหนึ่งประดุษเหมือนลิงตัวหนึ่งที่อยู่ในป่าห้อยโหนต้นไม้เนี่ยนะเกาะซ้ายปล่อยขวาเกาะต้นข้างหน้าปล่อยต้นข้างหลังก็เกาะไล่ไปอย่างไงี้ โ, โคจรอย่างเงี้ยเที่ยวไปในป่าเมื่อไรเนาะลิงตัวนั้นจกเลิกเกาะสักที คิดไหมว่าเขาเกาะไปในที่สุดก็ปล่อยจนได้เป็นอย่างนั้นไหมลิงที่เกาะอยู่ในป่าเมื่อเกาะไปมากๆในที่สุดจากปล่อยปล่อยจริงหรือเปล่า mm hmm. ก็วันตายนั่นแหละแต่ว่าตัณหาที่เกาะไปในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะประดุดลิงในป่าที่มันเกาะสังขารหนึ่งจากสังขารหนึ่งสู่สังขารหนึ่งวันนี้ตาเมินท์คิดมากี่เรื่องแล้วเนี่ย ขอสังขารเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายเถอะนะนะโอ้ทํานี่ถ้าไม่มีสังขารให้คิดเหงาแย่เลยใช่ไหมบอกไม่มีอะไรให้ทํานี่เหงาเลยนะคือมันเขามันโลกอยู่ในโลกของวิ ป, ปลาสในสังขารจริงๆว่าสังขาร น, นั่นมันเป็นของสบายสังขารนั่นเป็นของสุขมันเราก็เลยคิดถึงสิ่งที่เราคิดถึงนะคิดถึงรูปประคันใช่ไหม จากรูปประคันหนึ่งสู่รูปประขันหนึ่งโคจรจากรูปประคันหนึ่งสู่รูปประคันหนึ่งไปเรื่อยๆตามทวารต่างๆว่าเออสิ่งนั้นมันดีสิ่งนั้นเยี่ยมสิ่งนั้นสวยสิ่งนั้นดีเนี่ยนะวังนั้นะในทวารทั้งหลายเนี่ยนะที่ที่เป็นรูปประขันเป็นอารมณ์การโคจรอย่างนี้เนี่ยไม่ได้โคจรด้วยสติปทา น, นอะไรถ้าโคจรด้วยอำนาจสติปทา น, นจะรู้ว่านั่นก็คือรูปประคัน จะโคจรในรูปอันใดก็ตามทั้งรูปทั้งหมดเหล่านั้นก็คือรูปประคันที่เป็นเป็นมหาภาระเนี่ยนะก็โคจรไปในภาระหนึ่งสู่พาระหนึ่งถามว่าเห็นบ้านหลังหนึ่งละสวยเลยนะแต่ถ้าถามว่ากรรมกรที่โบกฉาบทายอยู่ตรงนั้นเขาเขาคิดแบบเราไหมอู้ยมหาภาระขนาดไหนถ้าถ้าสมมุติเห็นตึกเห็นอะไรเลยนะกําลังก่อสร้างอ่นนะไน พวกก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยยามค่ําคืนนี่เข้าไปได้สุรากันถ้าเขาไม่กินเหล้าเนี่ยนะเขาจะนอนปวดเมื่อยทั้งคืน น, นะก็ต้องกินเหล้าเนี่ยเพื่อให้มันหลับไปนะตื่นเช้ามาก็จะได้ไปสู้ต่อฉั้นชีวิตของพวกกรรมกรก่อสร้างพวกช่างทั้งหลายเนี่ยนะช่างก่อสร้างเนี่ยระยะสุดท้ายก็จะได้พวกมะเร็งตับพวกอะไรไปก่อชีวิตเนี่ยก็ทํางานเหนื่อยบางทีก็ทำโอทเนี่ยเลิกเที่ยงคืนบ้างตีสองบ้าง บางทีก็ยิ่งงานเร่งอ่ะนะเขาพอมาสั่งเร่งอย่างงี้ก็ต้องทําหามรุ่งหามคำ่ำนะก็อยู่อย่างนี้หลายวั น, นนี้ทําด้วยความเบลออะไรก็เขสั่งทุบอย่างเงี้เองนะแก้อยู่นั้นแหละนะอยู่ในโลกของการตกแต่งนะพอสร้างเสร็จก็ย้ายนี้หรือก็ไปหามงสังกสีอยู่ใหม่เนี่ยนะไปสร้างอะไรของงามนั่นะนะนะเปลี่ยนไปเรื่อยประดุดพวกสร้างถนนเนี่ยนะนะถนนมันเสร็จแล้วเขาก็ไม่ให้อยู่แถวนะั้นแล้วไปที่ใหม่ที่มันเป็น มหาภาระออกอัน <c oughs> ในสังขารทุกๆสังขารเนี่ยนะมันถ้าเจริญวิปั ส, สนาพิจารณามากๆเนี่ยคิดถึงสังขารไหนก็ไม่ต่างอะไรจากคิดถึงหลุมถามเพลิงเนี่ยนะคิดว่าหลุมนั้นจักเย็นหรือคิดว่าตรงนั้นจักเย็นหรือคิดว่าที่นั้นๆจักสบายหรือไม่ใช่เลยนะแต่ละแห่งแต่ละแห่งไม่ได้สบายอย่างที่เรา เราหวังเราหวังในในโลกของสังขารมากี่กลับแล้วเกียรสงไขแล้วว่ามันคงจกดีขึ้นมันคงจกสบายขึ้นหวังว่าชาติหน้าคงสบายกว่าชาตินี้นะแอบหวังลึกๆอยู่นะถึงไม่กล้าพูดออกมาแต่ก็ยังหวังอยู่ว่าคงจกสบายกว่าชาตินี้คงจกดีกว่าชาตินี้แต่ก็ไม่คิดว่าชาติคือการเกิดมีที่ใดอะนะไม่ต่างกัน ขึ้นชื่อว่าการเกิดมันก็เป็นเช่นนั้นแหละก็มาบริหารรับใช้ขันห้าต่อไปแม่ครูชาติหน้าขอเอามาเกิดอาอาชีพอะไรดี อ, อ๋อเพิ่งมาคิดหรือว่าอ่าถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยจะมาเป็นอะไรดี ประกอบอาชีพอะไรดีชาติหน้าสมมตินะบุญมันให้ผลอางนั้นเถอะทำบุญชาตินี้ดีชาติหน้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเลือกอาชีพด้านเนี่ยเอาสายไหนดีเอาครูอีกตามเดิมะนะอ๋อดังแกสอนก็จะเอาครูอีกเหมือนเดิมอ๋อครูสอนอริยสัจนะน ไม่ดียังไงเป็นชอบนตั้งแต่แรกแล้วแต่คุอให้เรียนคนือ <c ười> อยากเป็นพยาบาลอะไรอยากเป็นพยาบาลมากนะไม่ได้เป็นพยาบาลจ้าวเม้นทเนี่ยชาติน้าจะ อ, าอะไรดีขอเป็นนักบวชนะมาเลยชาติน้าอยากเป็นนักบวชคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยคิดหม่ได้นะก็จ้าวคิดดูนะสมมติว่า นี่ถ้าออกบวชชาติหน้านะสมมติว่ า, าเกิดนะ่นนะสมมติว่าให้ชีวิตอยู่อีกส0มสิบปีตายเนี่ยนะวันนะ้เจดปดติดตายอย่างงั้นเถอะก็ข้างหน้าต่อไปก็ร่วมพศสองพันหกร้อยใช่ไหมยุคต่อไปเนี่ยเทคโนโลยีมันจะเป็นยังไงแล้วบวชอยู่วัดไหนไปอยู่ตรงไหนอกอก็นะอยู่จอยู่สีลังกาเนะ่ หรืออยู่พมา่าหรืออยู่ไทยอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยนะในในในบริเวณเนี่ยจะอยู่ตรงไหนคือที่ที่น่ากลัวมากมเนี่ยนะไม่ใช่กลัวที่จะโศวิบากหรอกถ้าน่ากลัวก็คือกลัวที่จะมาทํากรรมใหม่ชาตินี้ก็ยังดีพอมีคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนําบ้างนะก็หลีกเลี่ยงบาปไปได้ตั้งมาก ถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยนะเราจะไปทำกรรมอะไรทิฐิของเราจะเป็นทิฐิไหนนอะในบรรดาทิฏฐิ62สเนี่ยนะสังกัปปะเราจะไปในสังกัปปะไหนเนะทั้งที่เป็นกุศลสังกัปปะและอกุศลสังกัปปะมันควรจะเป็นกุศลหรืออกุศลสังกัปปะวาจาที่เราจะพูดควรจะเป็นสัมมาวาจาหรือมิจฉาวาจากายกรรมพฤติกรรมทั้งหมดจะเป็นไปด้วยกุศลหรืออกุศล คิดหรือว่าเราจะได้ประกอบอาชีพที่พ้นจากอาคุศลกรรมาบทสิบประกอบอาชีพที่ไม่แปดเปื้อนด้วยอกุศลกรรมบทสิบเลยแม้แต่ข้อเดียวผู้การหวังขนาดนะั้นเป็นไปได้ไหอาชีพใดบ้างที่ไม่ล่วงอาุศลกรรมบทสนะิบนันลองคิดหาง่ายๆอย่างนี้ลองหาดูนะยากที่จะพบคานทนายีเจ อ, อยังอาชีพที่พ้นอาุศนกรรมบทสิบเลย ลายหนึ่ ง, งพ้นจากปาณาติบาตโดยประการทั้งปวงพ้นจากอธินนาทานโดยประการทั้งปวงไม่เกี่ยวกับการเมเลยไม่ต้องมูสาไม่ต้องพุสวาราไม่ต้องสัมพัพปปละปะไม่ต้องปิสุณาวาจาเนี่ยนะอาชีพไหนดีประกอบอาชีพยังไงโดยที่ไม่ต้องมีอภิชากับโฮมานัตรุ่มร่มเนี่ยนะประกอบอาชีพใดที่ไม่เป็นตายกับทิฏฐิหกสิบสองเนี่ยนะ เนื้อหายากนะ ท, ท, ที่ไม่ไม่ที่พ้นอกุศลกรร ม, มบทสิบประการเนี่ยโครักขกรรมวานิชกรรมนะมันก็ลองไปนึกดูนะอนะกะสิกรรมกสิกรรมยุคนี้นะโอ้โหเนี่ยนยดวดกสิกรรมท้ายห้องเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะดีนะปีนี้ไม่ได้ไปเบื่อปูอีกเหมือนกันเนี่ย ตายเป็นแหน่เลยแหละเต็มต้องนาไปหมด